ไว้พระคุณเจ้ารวมทั้งลูกเรนรวมทั้แมชีรวมทั้งผู้บัญชกำผู้บัาที่มารักษาสิล์มาพระพฤติปฏิบัติชอบเจ้าชายอย่างนี้จะคาดว่า รักปฏิบัติทั้งหลายต้องมีความตั้งจิตตั้งใจที่จะปับเพ็งเพียสวสวดให้เกิดขึ้นทางจิตใจสำเนึนจะได้ติดตัวไปในในวาระโอกาสที่เราจะได้มีจิตใจสำานึนเป็นทรัพย์ภายในขอ ง, ขอ ง, ของทุกทุกท่าน พอพูดแบบนี้การฝึกสมาธิข อ, องนักปฏิบัติทั้งหลายดับต้นๆจะต้องมีสติสติก็คือความรู้ตัวในขณะนี้ทา่ทานทั้งหลายต้องมีสติรู้ตัวว่า เรากำลังตั้งสติมีความรู้ตัวว่าอยู่ในองค์ภาวนาในขณะนี้ใายใจเขา้าพุทธพุทธแปลว่าผู้รู้ตอนนี้เราก็รู้ตัวแล้วว่าเรากำลังทำอะไรอยู่โภแปลว่าพู้ตึงนผู้หบดนคนงีุมีสติ รู้ตัวแล้รับรู้ในอารมณ์ราะความเป็นเบิดบานจนในขณะนี้ก็ยิ้มเข้าไาเเรายิ้เข้าเข้าไปในความรู้สึกก็คือใจใจเรานั้นมีแต่ความขุ่นบัวมีแต่ความฟาุ้งซ่านมีความแต่ ลังเลสงสัยอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะมานักทิพิ์ถือตัวถือตอนดึงปูกพยาบาทอาฆาตก็คือความโกดก็คือโทรศัท์นั่นเองยึดจึงแข็งก็ได้เพราะว่าเราขาดสติคือความรู้ตัวว่าโกดแล้วก็ไม่ได้อะไร เกียจังก็ไม่ได้อะไรแปลว่าสิ่งที่เราไม่รู้ตัวเลยว่าเราได้นะความกดนั้นจะทำให้ลมหายใจก็คือหัวใจก็คือจิตของเรานั้งอีแรงกดตามอารมณ์ปรากฏถึงเหงื่อออกปรากฏถึงก็ร้องไห้ปรากฏถึงก็เกรงขันเพราะความก เพื่อสภาวะมันผูกมกัดมันถูกกดขี่กดดันในขนาดนั้นสภาวะของร่างกายก็หลังสารที่มันไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแต่หลังสารที่ไม่ดีออกมาเมื่ดกดขี่กดขี่จังเนี่ยก็จะมีอาการปวดท้อง เจ็บท้องปดท้องเพราะว่าร่างกายมันหลังในขณะท้องเนี่ยก็เพาะก็เป็นแผลปวดที่งปวดทิ้แจบคนที่กอดเมื่อท้องเจ็บไม่พอมันก็มาเจ็บที่ใจเขาอิดเมื่อใจของเราที่เคยเท่นกับกับผิ เป็นระยะที่จำบ้าเส ม, สมอใจของเราก็เต้นผิดปกติตะกอนกาัวกกเนในหัวใจเหมือนจัแท้งแรงแล้บดีมีความกดดันสภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ เ, ยจ เ, ววใจเียก็เริ่มลคายเคืองเหมือนกับเรารลคายเคืองคอ ลกล้าหัวใจในยังมิการบีบคั้นรักบุกกดดันกล้ามเนื้อก็จะทำงานผิดปกติก็คือทำงานมากการเต้นของหัวใจก็เยิ่มหนักบ้างเ่าบ้างมันส่งผลถึงร่างกายกล้ามเนื้อทุกส่วนุกชิ้นในร่างกายเป็นกระโดด ของร่างกายเรานั้นเริ่มแปรปรวนสภาพที่เคยทำงานเป็นจังหวะเป็นระบบขอยมันอยู่นี่เป็นการสอนให้รู้ว่าการโกรเนี่ยมันเป็นโทษอย่างาหานกในอันดับต้นๆของกายากเราอาจจะไม่เคยได้ฟังมาก่อน จากการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นสำนักไหนก็ตามก็จะมองความเป็นสติสติก็คือความรู้ตัวรือรู้ไม่หมดในตัวตนของตัวเองปัญญาก็คือความรอบรู้ในของสำคัญคนที่มีสติแก่กา คนที่มีปัญญาอันบริสุทธิ์ทีนเนี่ยจะพิจารณาตัวเองจะมองไม่ห่างไกลจากตัวเองจะมองเห็นเล็บเท้าเล็บมือของตัวเองอยู่เสมอทำไมหลวพ่อจึงบอกว่ามองเห็นเล็บเท้าเล็บมืออยู่เสมอ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 นักปฏิบัติทั้งหลายนั้นอาจไม่เข้าใจอายกรรมของตัวเองแต่มาจะโทษว่าผง์จะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปเยอะเพชรหมอตูงหมอแถบอกว่าพง์ ม, มีกรรมกับงูบ้างกั บ, บวัวกับไก่บ้างมีกรรมกับสัตว์ต่างๆ พอเขาพูดในเราเชื่อจิตรู้สึกสั่งตัวรู้สึกว่ามันเป็นปัจจุบนแต่ความจริงแล้วเราต้องรู้ตัวเราเองในปฏิบันต่างหากความโกรธเนี่ยมันทำให้ ห, วหัวใจเดินเท้นผิดปกติความดันโลหิตเนี่ยก็คือเลือดลมทั้งหๆในร่างกายเนี่ยมันแปรพลอตลอดเวลา แลเราปรงอาหารเราปรงอาหารัร า, รง า, า, รางตากับปงอาหารทางหม้อทางลงครัวเนี่ยรวน้มีหลายเกนแมคโครนีก็มีสูตต่าเียวหวานมันเค็มแกงจืด แ, แกงเผ็ ด, ดอักรเผาตารพัดอาา สัตว์แบบเราไม่ต้องถึงรู้ว่าตักอะไรในเมือนตายเพราะอะไรเกิดมาตื่นมาเป็นสัตว์แบบนี้เรามีจิตได้จำนึกอึืนตัวเราในขณะนี้ที่เรานั่นปฏิบัติถึงว่าโอ๋โน้อความกอดเนี่ยมันเป็นโทษต่อร่างกาย อธิ คือความปวดแม้ทางกายจิตปกติราบมันก็เป็นแผลทางใจใจก็คือจิตใจสำนึกบรรลุแล้วมันก็เสียใจแค่ใจเจ็บใจอารมณ์นัแปรปรวนอยู่ตลอดเวลา ก, ก็คือความกวดวามรอบก็คือความปวด การตแต่งบังลงบังเลอก็คือความชุดต้กตรสร้างนั่นเองคือความโลภ ค, ความโรกรความโลคเนี่ยเป็นของคู่กันก็คือคนที่ถูกสมหวังกับปิดหวังนั่นเองปิดหวังก็เป็นต้องโกรสมหวังก็แหมรู้สึกยินน้มแยแ จ, จ่มใสวอร์รับเปิดปางใจ มื่อมันมีความรักมันก็มีความชังง่งเกิดขึ้นมันเป็นโลกธรรมแปอย่างความโกรธทีมันมีโทษต่อร่างกายอย่างมหาในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตเมื่อโกรธอะไรมากๆเนี่ยมันจะฝังจิตใช่ไหมจิตไปดำนึ่งเ น, น, นี่ยมันจะฝังเข้าไปก็จะบ ไปในจิตได้ธรรมนึกตัวเป็นสสงดาเเป็นแสงเป็นรากเป็น ส, นนสมันมันคือความเจริญของความโกรธแสาก็หมายถึงว่าสสงหลังนะัน่นเองจนโกรธมักจะคิดถึงยอดหลังยอดอดีตเห็นไหมเรียกว่าสงหลังคนเราเนี่ยไม่เคยได้ยินคำว่าสงหลัง ไอคนเนี้มันขี่เกียบต้ายหลังย่างเห็นไหมมันก็เหมือนกับคนโกบเช่นเดียวกันคนโกดเนี้ยมันก็เหมือนกันมันตั้งมันแข็งมากหลังเราเนี้ยลองรับทุกอย่างเพราะฉะนั้นคนโกเดเนี้ยจึงมีอารมณ์ที่แปรปวนตลอดเวลาม่นะมีความโรกเป็นสังา่างนะ หลังก็เปน็นจริงความรอบนี้ก็คือความอยากได้ความอยากได้นี่ก็คือความรักนั่นเองเกิดจากความอนุเคราะห์บ้างเกิดจากความเมตตาความเห็นอกเห็นใจก็คือความรักนั่นเองความรักก็บแบ่ง ก็มีทั้งเมตตาอันบริสุทธิ์กับเมตตาเหลือได้เอื้อหวังก็คือกิเลสหนเดียวคนที่มีจิตได้สำนึกที่มีกิเลสทําอะไรก็หวังพมีเมตตาให้อะไรเนี่ยตหวังก็จะได้คือเหมือนเราให้สิ่งของอะไรใครสักอย่างเราข้หวังว่า ตะเล่กบอกเพ้เจ้อจรงการพระเจ้อก็คือมันก็เืิดมาจากความรอดความพความหล ง, ง, ง, งนั่นเองก็คือกิเลถ้าเร า, ม, ม, ม, ญญามีสติแต่ไม่มีปัญญามีสติแต่ไม่มีปัญญานักปฏิบัติทั้งหลายมักจวนอยู่ในกลำลัม เรทั้งลก็เคยโอดเยอะแยะกดทุกเรื่อง่อกเสจก็ชังเกลียดพยาาอางาบาีถึงกหลงไม้หลงเลยอามรักทีมันก็รักจนทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างแต่ไมได้สองปันพวกเกดเกิดปัเกียจชังเข้ามาโดยที่เรานั่หลง เขามีลองขวอยู่ในจิตใจกำนึกเลยมันตูงแต่งทุกลบทุกชาติมีทิฏฐิมานะถือตัวถือ ต, ต, ตอนปมคัาเขาวุ่นวายหมดเรียกว่าฟุ้งซ่านนะความฟุ้งซ่านความลังเลสงสัยนี่แหละมันเป็นบ่อเหตุแห่งความจิตหายก็คือความขาดสติ จำไม่ได้นึกไม่ออกเรียกว่าจำก็หมายถึงว่าสมองด้านซ้ายด้านขวานีมันมีตัวจำกับความคิดคว่อเราขาดสติสมองมันก็แปรสภาพเหมือนกับเครื่งองคอมคอมพิวเตอร์เนี่ยมัน มไม่ซาดิยะมันก็เหมือนกับชีวิตแหละชีวิตเราในขนาดนี้เนี่ยเราไม่ต้องพูดจะหาโอกาสที่มาฟังธรทมธรรมกือการกระทำหรือทรรมชาติเด่นเรียกว่าสัจธท ร, รม จริงมันก็เกิดจากธรรมก็คือธรรมชาติตัวนี้ทำไมเรารู้จัเรียนรู้ธรรมชาติแต่เราไม่มีสติหลขงพ่อทีจจะเน้นสติสติเกิดควารู้ตัวรู้ตัวเราว่าสิ่งที่เราเศร้าหมองใจทำให้ร่างกายเราเนี่ยไม่มีความสุ เกิดทุกเกิดโรคเกิดอไเนี่ยเพราะปั่นโกรนี่ปวามโกรเนี่ ย, ก, นนยกิ น, านยาอะก็ไม่หายพราะพระเ จ, เจ้าจึงบอกว่าปวามโกรก็ต้องเอาตัวเมตตารับผิดเมตตาก็คือความสงสาร น, นีกับตัวรักเนี่ยเอาตัวสงสารไป ตาแปลว่าความรักแต่เอาตัวสงสารเข้ามาตกะกบตัวเมตตามเมตตาตัวนี้แปลว่าสงสารเรามวรจะสงสารสัตว์สงสารคนนั้น เราเนี่ยพยายามผลิตสิ่งที่ชั่วอยา่างก็คือความกรเมื่อความกรธเี่เราแสวงหามันอยู่ตลอดเวลาร่างกายเราเนี่ยมันจะซกบซอนไวแก่ไวชราไวมันเหมือนกับคนที่อารมณ์ดีมีความรักมีเมตตาก็คือคนที่มีจิตใจที่ดีเรียกว่าอารมณ์ดี คนที่กอบเนก่อนตายเนี่ยจะต้องเอาเวทนาต่อสังหาร ระหว่างดีกับช่วเนี่ยเราทํำคะแนนไหนเนี่ยมากกว่ากันแต่ถ้าเรามีเมตตาในการอยู่ภาวนาในขณะนี้เนี่ยเห็นไหมปวดมันก็ไม่ปวดเหนื่อยมันก็ไม่เหนื่อยหิวมันก็ไม่หิวจะเกลียดใคร้็ไม่ต้องจะเกลียดตอนไหนตอนนี้นักไหมเพราะเรามีสติรู้ตัวอยู เรารู้ตัวเนี่ยจิตในทานึกที่ดีเนี่มันมากกว่าโก้เราก็รู้สึกว่ามันสบายใจเมืาสบายใจพวกเนี่ยติดกายเนี่ยกา ย, ยกรับที่มันนั่งน้อยอยู่เนี่ยมันปรกอบไปดินน้ําำลมไปเนี่ยมันเกิดแปรเปลีนเลยมันเคยหัวใจเคยเต้นตามสภาพของหูตาจมูกนิ้วใหให ในวันนี้หอนท้งห้าที่มันสัมผัสรู้เห็ น, นได้ยิ น, นยกลายใจเราก็จะเต้นเป็นจันงหวะที่เคยชินนทานกว่าชินชิตนต่อสภาวะของกิเลสกิเลส ก, ก็คือความโลภความโกรธความรลงไอ้ร่างกายเราไม่ชินต่อสติสติคือความรู้ตัวตนในขณะ ก็เลยรู้สึกคันบ้างมน่ยบ้าหนักเหมือนนั่งแล้วมันจะหายท้องจะลอยบ้างเอียงบ้างเอียงบ้างเดี๋ยวร้องหมู่ว่าเดี๋ยวขลุกผลพองต่ดงว่าเลือดลองเราเนี่ยในร่างกายเนี่ยมันเคยแปรปลวยนันไม่เคยมีสติรูตัวเหมือนในขณะ น, นี้ที่หลวงพ่อพลังโู้งท จะรู้มันเกิดความหลังเมล็ดเห็นไหมประกอบใ น, นเราจะรู้เรื่องอะไรมาเนี่ยก็สงสัยว่ามันจะเป็นอย่างไงมันจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าแต่ในขณะที่เรารู้ในปัจจุบันนี้ก็คือรู้ด้วยสติสติคือความรู้ตัวว่อนองอนิ่งเป็นหลัอยากเป็นแดดคอ น, นิ่งปุง๊บเราเหมือนจะ ที่มันเคยฟุ้งซ่างอยู่เนี่ยร่างกายเราจิตเราเราเคยใช้ชีวิตอยู่ปัจจุบันพอนิ่งตุ๊บไม่คิดไม่ฟุ้งซ่างกดง่วกเลยเป็นอาการที่เราเคยคิดอยู่เป็นอาการที่เราคอยหยุดจิเกาโน่งเกาหี้ขยับนั่นขยับนี่พอจิตเราบริสุทธิ์พอจิตเราเนี่ยไม่ฟุ้งซ่าง กามนื้อมัตายหมดเลยเห็นมก้ามเนื้อหัวใจที่มันเคยเต้นวัยวงทีวางยกโกรดเดี๋ยวมาวหลอเดี๋ยวหลออร ก, รกามนื้อผ่อนคายหมดเลยกล้าเนหัวใจเนี่ยมันต้นถูกกำหนดให้เท่ารันก็คือเราหายใจเข้าพุทธออกเวหัวใจเราเนี่ยผ่อน ใช่เราผ่อนคายพวกเนี่ยพอมันนิ่งสบายพวกเราจะเผลอหลับเกยวขาดสตินะถ้าเราชินต่อนิ่งและหลักเลยเพราะนันนกปฏิบัติ ท่างหมู่ต่างการแต่ในขณะนี้เนี่ยเราไม่สัมผัสกับอะไรเลยเรารู้สึกนิ่งอุบัติขาพละมีเฉยแต่เรามีสติรู้ตัวว่าเรากำลังภาวนาอยู่เมื่อจิตใจธรรมนึกเราเนี่ยผ่อนคายวันใจต้องเป็งสมบูรณ์ร่างกายเราไม่เคยสงบ เราคายกล้ามเนื้อคายทุกส่วนสัดในร่างกายเรียกว่าคายความร้อนออกไปความร้อนตัวนี้ก็คือความเร่าร้อนในจิตใจัำเนื้องกับึืนใจเมื่อใจความเร่าร้อนเขาเรียกว่าร้อนใจกันเองได้กับเย็นสบายในขณะ น, นี้แต่อร่างกายมันรู้สึกบวบบวบมิ้วมิ้ เอลบอวโงว ง, <ว>งเราอย่าไปสนใจมันไปพยาามนึกถึงจิตใต้สำนึกก็คือสตินั่นเอง ย, ยิ้เข้าว้หายใจเข้าพุบหายใจออกทุบยิ้มไม่้กับตัวเองว่าร่างกายเราผ่อนคลายพวกสติมานสติก็คือความรู้ตัวต่อรู้อาการที่เป็นอย่างที่หลวงพ่อบอก มัผ่อนไควา ม, วามตั้งกอลงไปน้ในขณะที่เราผ่อนคลายความกดเนี่ยอาการขัดสีเบียดเสียดของจิตใต้จมูก ท, ที่กดกันตัวเองรวมทั้งกระดูกกระด้ามเนื้อที่เราต้องเดินต้องกินต้องกัดต้องเคี้ยวต้องทำงานทุกอย่างกดดันทุกอย่างเนี่ยมันคลายออก เมืคลายออกก็คือความคิดในปัจจุบันเนี่ยเราคิดสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยรู้สึกมันผอดคลายออกไปก็คือความคุ้มร้างความลังเลสงสัยนั่นเองพยายามตังลงพ่อแล้วกันนึกถึงตงัวเองไว้ว่าโอ๋น้องกระดูกก็ผ่อนคลายกลามเนื้อเอ็นทั้งหลายหัวใจที่เคยเต้นติดจังหวะเต้นเตาบ้างจั า, าง ยาวบ้างแต่ในปัจจุบันเนี่ยพอเรารู้สึกเต้นถูกจังหวดเข้าสังขารเริ่มห้อยนะเมตชีบงองค์ก็เริ่มห้อยนะแล้วบางองคก็รูบบ้สึกนั่งแล้วดูเหมือนไม่สนั่นนะแต่จริงจริงมันสนนัะ่แต่ว่าใอ้ ส่วนสัตว์ของร่างกายที่มันเคยสุขสมที่มันเคยยิ้มนึกแล้วกแต้งเซลล์ก้ามเนื้อกระแสไฟฟ้าทุกอย่างเนี่ยที่มันทํางานหนักมามากเลยตอนนี้มันผ่อนคลายแต่ทําตัวตองเขาไปยิ้มตัวยิ้มนี่ก็คือตัวเมตตาตัดตัดความเลาร้ายลดความโกรธ ว่าเรายิบเนี่ยจิตใจเราก็ที่เคย ก, กระด้างแข็งเนี่ยมันก็รู้สึกผ่อนคลายนยจากที่เราเคยรู้สึกว่ามันเตาร้อใจเนี่ยใจเรารู้สึกเย็นเหมือนในขณะนี้เหมือนร่างกายเรารู้สึกว่าชาปลายมือปลายเท้ามือเหมือนกับเหนียวซึซ้ๆตัวเเหมือนกับมีเหนียวซึงซ้งๆออก มันไอร้อมันออกกับตัวเนี่ยกขาเรียกว่าไฟทะเลาะทะเลาะก็หมายถึงจิตที่มันฟุ้งซ่านมันใหญ่ที่เราไม่รู้ตัวรู้ตวน ว, ว่าเราเป็นคนรู้สักกันแน่เราเป็นคนดีหรือคนบ้ากันแน่วันนี้เรามอบตุ้งสติเราเป็นเกิความรู้ตัวจะไ ด, ได้รู้ตัวรู้ต่อหมดค ว, วามรา้อมในระหว่า เนื้อกพการแสไฟฟ้าเนะครับเนื้อที่มันเองแข็งแน่นก็เล่ผ่อนคายออกมาเพราะกาผ่อนคายพวกไอ้น้ำเนื้อที่เป็นออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยมันแทรกเข้าไปในข้ามเนื่อจนมันมีหลักเบียหลัเข้ามนเต็มร้อยเลยและเชื่อตายด้วย ร่างกายเรา ม, มีออกซิเจนผ่านกระแสเลือดเข้าไปหล่อเลี้ยงการเนื้อทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายแาต่ความโก่งเนี่ยมันทำให้ออกซิเจนเนี่มันขาดไปความที่เป็นกลามเนื้อเลอะลงที่มันเดินอยู่ในร่างกายเนี่ยมันไม่ชุ่มชื้นผิวผันมันก็ไม่ชุ่มชื้น บางที่เหมือนกับในโลกเนี่ยมันขาดน้ําบางที่มันมีน้ำํำบางที่มันก็ชื้นบางที่มันก็แห้งแหลกในขนาดนี้เนี่ยฝน ม, มันกำลังตอบอยู่ในร่างกายเราจะ ต, ตอบอยู่ในใจแ๋ยวราไม่ตอบใจแต่ฝนฝนมันตอบธรรมชาติมันเกิดสมบุรณ อะไสติมันสองโมงนี่พอสติมันสองโมงเน่ยร่างกายเราเนี่ยมันเป็นธรรมชาติทำมันก็เกิดขึ้นเพราะเราฉลาดขึ้นเรารู้จกที่หลวงพ่ออธิบายอยู่มากขึ้นพอเรารู้ปุ๊บกำลังใจเอกมาเลยเรารู้สึกเลยว่าอืมจริงรู้ร่างกายเราปกติแล้ว เมื่อโตไปหมดแต่ในขณะที่เราสบายใจมากเดี๋ยวพอทอนสมาธิร่างกายจะเปล่งปลั่งนิ่งผิ ว, วมันจะลื้นนุ่มสบายเหมือนเด็กๆเนีเ่ยผิวมันอ่อนนุ่มนงี้ละเอียดจับนุ่เย็นหน้าอกหน้าสอดหน้าหอมร่างหอมตัวเดี๋ยวเหม็นตายมาเลยเพราะว่า สิ่งเจ็บมันธรรมชาติมันผิดปกติหรือร่างกายผิดปกติคาว่าร่างกายผิดปกติเ ก, กิดขึ้นจิตได้แําเึก่อเราเนี้ยมันผิดปกติมันไม่ใช่บรรลุสมบัติมันเป็นการปรุงแต่งโดยเป็นคนบ้าเป็นคนบ้ายิ้มเ้าไอยู่ในองค์ภาวนาเข้าไว้กำลังจะให้ถอนสมาธิแล้ว พอดีหน่อยลราพอกรนชวนเลิอมือยปวดเวทนาทุกมา ตาทางใจไอจะให้หรือไม่ให้ไอจะพูดด้วยหรือไม่พูดไอจะยิ้มหรือไม่ยิ้มไอจะทํำอะไรเรก็ไม่สนใจโอ้วยขาวาเฉยยิ้จับไม่ไดใจสารมณ์ยิ้มตลอดเวลาร่างกายก็ผ่อนใส่ไปเรื่อยๆร่างกายก็ผ่อนกายความร้อนที่มันร้อนจิตร้อนใจเรียกว่า ไว้ในมันเผาโอเผานรกเลยก็เรียกว่าสวงอยู่ที่อกนรกยูที่ใจความนรกของกิเลสความตุนลง่ไหลเพระความอยากนก็คือความโกอยู่แหละความร่อยู่แหละความหลงี่ยังไม่พูดถึงหลงก็หมถึงว่าละเมอเพ้พ้อขาดสติว่าเรามีสติมีปัญญาเนี่ยดับคาโก เกียรตินะไม่เคยรักเราก็รู้สึกว่ารักตัวเองขึ้นไมเคยมองตัวเองเรากรู้สึกมีสติรู้แล้วก็มองใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นเราจะรู้สึกว่าความวุ่นมายความลังเมสงสัยเนี่ยหมไปควาร่างกายจิตใจผ่อนคลายหมดจะติดมาเลยนั่คือความรู้ตัว เมื่อสติมาปัญญาเกิดก็อ๋ออะไรที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่ามันเป็นเหตุอย่างนี้ที่เราไปรู้ไปแลว้วก็แก้ที่ไปต้นเหตุจริงๆเราไม่รู้มันก็เลยเกิดเหตุเมื่อเดินเกิดแล้วมันก็ต้องฟุง้งซ่านแก้ไขแต่ถ้าเรามีสติรู้มันไม่เกิดมันก็ดีกว่าเกิดนะเอาลนะ ค่อยๆหายใจให้เป็นปกติซักซเอาในน้อยนะอย่าเอาบา้าอย่าจะขังมากกว่านี้ราตรีต่อไปก็จะค่อยพูดถึงความหลงอนะับกป็นค่อยทถอนจามากติ